ได้5ตัวได้วิชา2ตัวไม่ได้วิชา3วิชาอที่3คมเขาล้างกิเลสไปท่านก็พบว่าการที่ท่านไปทําสมาธิให้นิ่งสงบสบายพอออกจากสมาธิกิเล ส, สก็กลับมาอีกความทุกข์มันก็กลับมาอีกมันไม่ใช่ทางนท่านไปทรมานร่างกายแล้วพบว่ามันก็ไม่ใช่ทางอีก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 บอกว่าในบรรดาพระอรหันต์ห้าร้อยองคนะ์มี60องค์ได้วิชาสามวิชาสามก็คือะระลึกชาติได้นะรู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้สามอย่างพระอาหารหันต์ที่ได้วิชาสามเนี่ยมี60องค์จาก500คนที่ได้วิชาสามเนี่ยต้องทรงชนันต้องทรงชนันในบรรดาห้า้อยองค์นอกจาก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 งันรวมสองกลุ่มนี้ได้ร้อจาก500ยก <_ d ata> ็จะมีพระอราหันต์อีกจําพวกหนึ่งท่านเรียกว่าอุพโตภาควิมุตติอุพโตภาควิมุตตินี่ไม่เหมือนพระอราหันต์ทั่วๆไปคือตอนที่บรรลุมรรคผลเนี่ยท่านเข้าอารูปฌานพระอราหันต์ทั่วๆไปเนี่ยบรรลุมรรคผลเข้ารูปฌานพวกที่เข้าถึงอรูปฌาน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 ไม่ใช่ว่าทรงชานชำนี้ชำนานมาก่อนอาจจะเดินปัญญาไปจิตไม่ได้ทรงชานเดินปัญญารวดไปเลยแห้งแล้งพระอรหันต์ที่ปฏิบัติไปนะบรรลุมรรคผลนิพพานไปด้วยใจที่แห้งแรงหมายถึงไม่มีความชุ่มฉ่ำหรอกเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะภาวนาไปเนี่ยใจไม่ได้พักเพราะฉะจะทุกข์เยอะๆเลยทุกข์มากเนละภาวนาแล้วจะรู้สึกแห้งแง้ง เรียกว่าพระอรหันตุขวิปัสสกะไม่ได้ทรงฌานแต่ตอนที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะตอนที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะได้ฌานอัตโนมัติอย่างน้อยจะได้ปฐมฌานขึ้นมาแต่ตอนที่เดินไปสู่ความเป็นพระริยาบุคคลเนี่ยไม่ได้ทาําฌานเพราะงั้นไม่ใช่พวกเราจะไปสรุปตามใจชอบนะต้องนั่งสมาธิให้เข้าฌานได้ก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้นะบางคนสรุปแบบนี้นะั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 ไม่มีใครเลี้ยง<ม>ก็วิ่งไปทางนี้ได้กินอาหารนิดหน่อยนะคุยขยะได้นิดหน่อยไม่อิ่มก็ต้องวิ่งไปที่อื่นอีกไปคุยที่อื่นนะกินกินได้หน่อหนึ่งไม่อิ่มก็วิ่งต่อไปอีกจิตของเราที่มันไม่ได้ทรงสมาธินะไม่ได้ทรงสมาธิชนิดที่ใช้พักผนะ่อนน็นจิตที่หิวอารมณ์จิตของเราเหมือนมาจอจัดไม่เต็มไม่อิ่มหิวโหยอารมณ์ตลอดเวลา